ไปที่วัดถูกไปจบอยู่ที่อรหัตะ ถ, ถูกรีบเร่งนะพิชซูทั้งหลายพระบรมศาสดาท่านทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังนะเราจะถาคดเตือนท่านเพราะสงสารพวกท่านส่วนเราจะถาคดพข้ไปแล้ว ยังเหลือแต่พวกท่านแบกไายอยู่ในทะเลทะเลหลงส่วนปลาลบก็พระหันท่านไม่ได้ปลาโลบมากหรอพกพระบรมศาสด า, าจึงใดๆที่เราสงสัยเราก็คลายหมดไปแล้วนะพวกเราพ้นจากบ่วงทั้งป่วงเลยทั้งที่เป็นของทิป ชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายของพวกเราทั้งหลายพระบรมศาสดาพูดกับพาาระรหัการทําจิตให้ยิ่งแล้วก็ทําให้ยิ่งแลว้วเนื้อสิ่งใดใดทั้งปวงปัญญาของพวกเราก็สมดุลแล้วชนะความหลงไปแลว้วข้ามทะเลหลงห่วงน้ำไปแลว้วพบใหม่ของพวกเราไม่มีอีกละ อญยมาชาตินัตทิธานิพุนัพภวุติทําไม่ไรพูดมากประลบมากหรอกทำไมถึงในประลบมากเพราะผู้ฟังต้องการฟังมากหนึ่งผู้ฟังไม่เข้าใจหนึ่งจะหลาอย่างละอย่าง จึงมันเป็นบัญญัติเป็นทีค่าวักแปลว่าวักยาจุลวักแปลว่าวักสั้นเพราะผู้ฟังเข้าใจง่ายในสังคมนั้นพระองค์ก็เทศจุลวักมหาวักในสังคมนั้นไม่ค่อยเข้าใจมากก็เทศเป็นหลายวักหลายตอน ถ้าผู้มีจิตใจสูงพระบรมศาสตาประเทศฝ่ฝายยนต์ลงมหาเอกจิตเอกใจเอกธรรมเอกจิตเอกธรรมเทศอยู่ 45, สีิห้าพันษาเทศแต่ละกันและกันก็มีมรรคผลนิพพานอยู่ทุกกันสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ทุกกันทีเดียว เพาะดาวันทศชาขามีอานาคามีอาหารตามฐานะของใครของมันกันเทศกันเดียวกันผู้คิดสูงกว่าน้อมไปสูงผู้คิด ต, ต่ำก็น้อมลงมาต่ำคําเทศคําเดียวกันเวลาฟังก็เท่ากันปัญญาของท่านผู้ใดยอยู่ในระดับใดก็เข้าใจในระดับนั้นแต่การเข้าใจมีต่ำสูงกว่ากันอ ความรู้ชัดก็มีต่ำสูงก่อกันตามวาสนาบารมีที่สร้างมามเหตุฉะนั้นทำกันเดียวกันจึงสางมารถสำเร็จพรัรหันก็มีพระโสดาวันก็มีสักกากามีถ้าว่าลงนรกอีกก็มีที่นี่พรประมาณคำสอนของพระบระมาชาสดาฟังอยู่ทั้งฟังด้วยทั้งเพ่งโทษด้วยพระลงนรกในปัจจุบัน กึ่งพรรษาหรือค่อนไปแล้วนี่ใกล้จะออกพรรษาละออกพรรษาก็ใหความสงสัยออกไปด้วยให้ออกเฉยๆออกพรรษาความสงสัยก็ยังเสมอเก่าอยู่มันก็ไม่ใช่ออกพรรษา ทันซาจะได้น้อยได้มากเท่าใดมันก็เป็นของล่วงไปเหมือนกันกันกบอายุจะนุ่งแน่นสักเพียงไหนมันก็ล่วงไปจะแก่สักเพียงไหนมันก็ร่วงไปไม่มีใครได้หรอกอายุทันสาก็เหมือนกันมันล่วงไป ใครจะหนุ่มจะแก่ก็ไม่ควรละอายกันหรอกเพราะมันล่วงไปไม่มีใครได้คนแก่ก็มาจากหนุ่มพราะมาคนหนุ่มก็มาจากเด็กอีกเหมือนกันใต้ก็มาจากเกิดเกิดก็มาจากอวิชชาตันหาอุปท า, านกรรมภพชาติชราพยาธิมรณะมาจากอวิชชาของมงุ่ มาจากวัตจักรก็ว่ามาจากสังสารวัตก็ว่ามาจากเครื่องดองก็ว่าเพราะท่านว่าหลายอย่างพระมหาสารีบุตรท่านบัญญัติลงไปอีกพระบรมา ศ, า ศ, าศาสดาก็ไม่คัแยกละวิชามันก็มีพ่อมีแม่ของมันเหมือนกันหลวงปู่มั่นตามลงไปเอกว่าทิติภูตังก็ถูกอยู่เหมือนกันทิติแปลว่าตั้งอยู่ ตั้งอยู่ซึ่งเครื่องดองสศายที่บุตรบัญญัติลงไปอีกวิชามาจากเครื่องดองนะพระบรมศาสดาเออเธอจะบัญญัติลงไปอีกแล้วก็ไม่คัดค้าถูกอยู่งเหมือนกันความโง่มาจากเครื่องดองคันธันดาเพื่จะค่าข่าพระองค์ไม่ได้บัญญัติเพื่อแข่งดีกับพระองค์หรอกแต่ว่าปัญญาศัญญาเห็นอย่างนั้น เออถูกละถูกละเราก็ลัคัดค้างถือเหมือนกันเพราะมันมีความหมายอันเดียวกันความหมายของกิเลสก็ว่ากิเลสก็มีอุปาิก็มีอืมส า, สารพัดจะใส่ชื่อรือนาม สินสมาธิปัญญาก็เหมือนกันบางแห่งก็มักแปดบางแห่งก็ว่าโฟทิปักคีจะทำแปดบางแห่งก็ว่าศินสมาธิปัญญาแต่าก็มีความหมายอันเดียวกันบางแห่งก็ว่าทำมวินยัยรำมววินยัยเยประพัดช่างละเพยยังอุปสัมปดังจะปฏิบัติธรรมวินยัยกอให้อุปสมบทเถิด ปานาปนออานาสติเป็นเครื่องอยู่ของพรหมบ้างเป็นเครื่องอยู่ของพระหันบ้างคำว่าพรหมจะตีความหมายวาพาารหมจรร์ก็ถูกจะหมายความว่าลูก ป, ประพรมก็ถูกจะหมายความว่าอลู ป, ประพรมก็ถูก โรคยอดเยียดอยู่ในรูปและอารูุโลกยัดเยียดอยู่ในธาตุทั้งสองคือรูปประธาต์อารมประธาต์โลกยอดเยียดอยู varsa, ่ในธรรมทั้งสองคือ <inevitable> รูปประธรรมและอารมประธรรมโลกยอดเยียดอยู่ในอินทรีย์ทั้งสองคือรูปอินทรีย์อารูุอินทรีย์อินทรีย์แปลเป็นใหญ่ในรูปเป็นใหญ่ในนาม โรคยอดยียดอยู่ในโรกโรคโรคกับนามก็มีความหมายอันเดียวกันโลกยอดเยียดอยู่ในอนิจจังก็มีความหมายอันเดียวกันโลกละดเยียดอยู่ในทุกขังก็มีความหมายอันเดียวกันโลกยอดเยียดอยู่ในอนัตตาก็มีความหมายอันเดียวกันมาชัยยศพระ อนัตตาพานิพานใช่อันนี้จังไม่ เ, เอาไปใช่ในพานิพานไม่ได้ญญบัญญัติเชื่อแล้วบัญญัติแต่อนัตตาอนัตตาพนิพานเป็นอนัตตาที่ไม่เกิดไม่ดับแต่อันนี้จังกับทุกครั้งไม่ในบัญญัติในอนุปาทิเสสนิพานเช่อแล้วจิตก็มาในเป็นไปเป็บัญญัติในอนุปาทิเสสนิพานสภาวะทิเสสนิพานบัญญัติก็เป็นแต่เพียงว่า จิตก็พ้นจากอาชวะไม่ถือมันโดยอุปาทานจิตเด่นดวงนั่นเองพ้นจากอาชวะแล้วไม่มีอุปท า, านยึดถือจิตอีกด้วย้นเมื่อไม่มีอุปท า, านที่จะยึดถือทำอันเป็นคู่กับจิตอันนั้นอีกด้วย สอาปาทิเสสนิพานพระหัที่ยังไม่ตายก็มีธรรมสัมพยุติอยู่ ก, กับจิตขององค์ท่านแต่องค์ท่านก็ไปยึดถือจิตและไม่ยึ t ถือธรรมที่สัพยุ u ิอยู่นั้น n ติปัญญาเนื้อไปอีกมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาอ น, นันต์ไม่มีใครยึดถืออีกด้วย เป็นมหาสติที่ชอบเป็นมหาปัญญาที่ชอบชัมมายานะรู้ชอบชัมมาเวมุตรุดพ้นชอบและไม่มีใครไปยึดถืออีกด้วย<ม>ถ้าไปยึดถืออีกก็เรียกว่าไม่พ้นเรียกว่าไม่รุด ไม่คัดคาดสมมุติ ด, ด้วยไม่คัดคาดวิมุตติ ด, ด้วยไม่คัดคาดปัจจุบันด้วยไม่คัดคานอดีตด้วยไม่คัดคาดอนาคต ด, ด้วยพู้ตามเป็นจริงทั้งนั้นปล่อยวางตามเป็นจริงทั้งนั้นว่างแบบไม่ขบคืนเพราะว่างจากทรัพจากบุคคลไม่พมี่ไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของ นี่เหตุกรรมวิบากและผลของเหตุผลของกรรมผลของวิบากก็ไม่มีในองค์ท่านเหตุฉะนั้นวัดตะวนก็ตัดขาดกันเกิเลสเกิดขึ้นพาให้ทำกรรมกรรมเกิดขึ้นพาให้รับผลวิบากของกรรมก็ไม่มีเพราะไม่เป็นเปรตสร้างเอาเหตุเพื่อจะเอาผลเพราะไม่เป็นเปรตเพื่อจะรับผลเพราะไม่เป็นเปรตเพื่อจะหาสร้างเอาเหตุไม่มีใครไปเฝ้ายึดถือทั้งเหตุและผลด้วย เมื่อไม่มีใครไม่มีใครไปยึดถือเฝ้าทั้งเหตุทั้งผลที่นี่เหตุและผลก็เป็นโมฆะไปที่นี่วิญญาณปฏิสนธิก็เป็นโมฆะไปอีกเหมือนกันวิญญาณปฏิสนธิก็ไม่ไปจี้เหตุจี้ผลเหตุผลก็ไม่มาจี้วิญญาณปฏิสนธิที่นี่ไม่ไปจี้ไปป้นอนัตตาไม่ไม่ใช่อนัตตาจะมาจี้มาป้น สิ่งทั้งหลายก็ไม่ขี้ไม่ป้นกันเมื่อไม่ขี้ไม่ป้นกันก็ต่างคนต่างเป็นสุดที่นี่เอสาวันโตทุกขัตสะเป็นที่สุดแห่งกองทุก คนผ่านทุกข์เป็นคนฉลาดพระบรมา ศ, าศาสดาก็ผ่านทุกข์เหมือนกันเพราะอยู่ฝากตายเป็นชั้นที่หนึ่งของโลก คนที่ไม่รู้จักทุกก็ย่อมผ่านทุกผู้ไม่เบื่อหน่ายในทุกก็ต้องมาเกิดทุกอีกเดี๋ยวเขาไม่รู้จักทุกเมื่อไม่รู้จักทุกจะรู้จักทุกสมุทัยก็ไม่ได้จะรู้จักทุกคณิโรดก็ไม่ได้จะจะรู้จักทุกคนิโรธคาเมณีปฏิปทาเครื่องปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกก็รู้มาไม่ได้เพราะไม่รู้ทุกในเบื้องต้นเมื่อรู้ทุกในเบื้องต้นแล้วค่อยเป็นไปเอง เมือ่อไม่รู้ทุกขังอริ ย, ยสจัจจังคะก็ไม่รู้ทุกขสมุทโยาอริยสัจจังเหมือนกันก็ไม่รู้ทุกขนิโรธเหมือนกันก็ไม่รู้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเหมือนกันเพราะปฏิบัติเพื่อคนทุกข์รูปอันหนึ่งก็ต้องรู้หมดรูปหนังก็ต้องรู้เนื้อต้องรู้กระดูกเองเหมือนกันเพราะมันอยู่ด้วยกัน รูหน้าก็ต้องรูตาอีกเหมือนกันรูจมูกเอกเหมือนกันถ้าไม่รู้จมูกก็ไม่รู้หน้ารูตาอีกเหมือนกันผลที่สุดจมูกก็ดีหน้าก็ดีตาก็ดีก็ลงสู่อันนี้จังอันเก่าก็ลงสู่ดินหน้าไฟลมือนเก่าเพราะถ้าดินหน้าไฟลมก็ลงสู่รูขันอันเดิม ผู้ลูกกลงสู่น้ำขันอันเดิมนามังแปลว่าชื่อมันลู ป, ปังแปลว่าลูกแปลว่าชื่อของลูกนามังแปลว่าชื่อมันชื่อของมันที่เห็นด้วยตาก็มีที่เห็นด้วยตาปัญญาก็มีชื่อของมันนามังทรัพย์ น, นามย่นลงมาถึงเอกนาม ในปัจจุบันสัพพารูปย่นลงมาถึงเอการูปในปัจจุบันสัพพเวทนาย่นถึงเวทนาเอกเวทนาในปัจจุบันสัพพสัญญาความจำย่นลงมาหาเอกะความจำในปัจจุบันสัพพสังขารย่นลงมาถึงเอกะสังขารในปัจจุบันสัพพวิญญาณย่นลงมาถึงเอกะวิญญาณในปัจจุบันนั สัพทธาต์ย่นลงมาทั้งเอกะมโนธาต์หรือธรรมธาต์ในปัจจุบันนะสัพส ม, มุติย่นลงมาทั้งเอกะส ม, มุติในปัจจุบันสัพพวิมุติย่นลงมาทั้งเอกะวิมุติในปัจจุบันอีกด้วย ฝ่ายสังฆโหคัมภีร์สังฆโหไม่ใช่คัมภีร์อสังฆโออสังฆโอไม่สองข้อไม่สองข้อเอาออกมาจากไหนก็ อ, ออกไปจากปัจจุบันทั้งนั้นเมื่อสองข้อก็สองสองข้อลงมาในฐานปัจจุบันทั้งนั้นเงื่อนของเครือกที่ผูกไว้แล้วต้นของเชือกปูกไว้นี้ จะโค่งใหญ่สักเพียงไหนก็โค่องออกไปดึงออกไปจนถึงอเมริกาลิแกก็ตามจะโค่งมาก็โค่งมาในที่นีเอาล่ะที่นี่ไม่รู้จะพูดอะไรหมดคำพูดแล้วที่นี่